เพื่อโปรงเซลีล่าของท่านก็สมควรที่เราจะเป็นเจ้าภาพถือตือตัวเป็นเจ้าภาพส่วนท่านอื่นนั้นก็ก็จะมาในฐานะที่เป็นแขกเราก็ปฏิบัติกับเขาด้วยความเมตตาด้วยความเอื้อเฟื้อนะช่วยทำให้เขามางานนี้ได้ความสะดวกนะเมื่อเราเป็น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 มันไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยด้วซ้ำเพราะหลวงพ่อไม่ได้สนใจเรื่องเกียรติยศอยู่แล้วพระระดับหลวงพ่อเนี่ยถ้าพูดถึงเกียร์แล้วก็สมควรจะได้รับพระราชทานเพลิงศพแต่หลวงพ่อก็ปฏิเสธนะท่านเขียนไว้ในพินัยกรรมท่านปฏิเสธเกียรติยศอันนี้ถ้าหากว่าจะจัดงานนี้ให้สมเกียริท่านนะ ตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คงจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นแล้วมันก็คงจะไม่ใช่สองอาทิตย์ด้วยอาจจะเป็นปีก็มีงานศพที่จัดถวายให้กับครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ที่ร่วงลับจํานวนมากก็เป็นปีอย่างได้น้อยก็หลายเดือนเพื่อรอรับไร้ส า, านเพลิงศพก็มีผ้าหลายลูกก็มาถามมีญาติโยมหลายคนก็มาถามว่าทําไมเผาเร็วเหลือเกินนะ สอาทิตย์เท่านั้นเองที่จริงหลวงพ่อท่านอยากให้เร็วกว่านั้นสิทนะไม่ถึงห้าวันไม่เกินห้าวันได้ก็ยิ่งดีแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เราก็จะกลายเป็นความขรุขระอย่างยิ่งเพราะเพียงแค่จะเตรียมพื้นที่ที่เมนทําความสะอาดปรับปรุงตกแต่งเมนให้เหมาะให้ควรกับงานของท่านก็ต้องใช้เวลาหลายวันเกิน5วันละ ทุวนนี้เนี่ยการจัดงานสมเนี่ยมุ่งไปที่ความสมเกียรติของผู้จัดอของเจ้าของผู้ที่ร่วงรับนะและบางทีก็มุ่งไปถึงหน้าตาของผู้จัดของเจ้าภาพหลวงพ่อท่านคงเห็นว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ฟุ้งเฟอ้อมากท่านก็จึงระบุอย่างชัดเจนนะโดยที่ไม่ได้ทํานึงถึงเกียรติยศของหลวงของตัวท่านเองเลยั้นถ้าเราจะจัดงาน ถวายท่านไม่ควรทำเพื่อความสมเกียรติแต่ถ้าจะทำก็ต้องทำเพื่อให้สมธรรมของหลวงพ่อสมเกียรตินี่มันยังไม่เท่าไรนะมันต้องสมธรรมธรรมะที่หลวงพ่อได้สอนได้แสดงแล้วก็ได้ทุ่มเทชี้แนะให้เราได้เข้าใจได้รู้จักได้เข้าถึงรวมทั้งทำให้ดู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 แล้วก็สอนให้พวกเราได้ปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนความเรียบง่ายความไม่ถือยศถือตัวไม่เจ้ายศเจ้าอย่างอันนี้คือธรรมที่เราประจักษ์หรือพบเห็นได้จากการได้พบสัมผสัสกับหลวงพอ่อ น, นี่คือธรรมที่ธรรมแรกๆที่ผู้คนได้พบเห็นนะจากหลวงพอ่อ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 แต่นอกจากจะให้งานนี้เนี่ยสะท้อนถึงความเรียบง่ายนะความถ่อมตัวของหลวงพ่อแล้วนะสิ่งที่เราควรจะทำให้ได้คือสะท้นอนนนถึงสติและความรู้สึกตัวที่พวกเราซึ่งเป็นศิษยานุสิธิ์นะได้ภาคเพียรปฏิบัติอันนี้มันคงไม่อาจแสดงได้จากวัตถุสิ่งของ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 ลูกศิษย์หรือว่าผู้จัดนีนะ้หมดเนื้อหมดตัวเข้าไปในอารมณ์นะเียงเพราะว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเนเพราะว่ามั น, นมันไม่เป็นไปตามแผนเป็นเพราะไม่มีคนทำตามที่ตกลงกันเอาไว้นะ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 ฝนฟ้าไม่เป็นใจผู้คนมากมายจนกระทั่งโกราห์นมีคนใช้บัตรเบ่งพยายามเข้ามาจอดรถในวัดห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอเนี่ยแค่นี้ก็ทําให้โกรธได้ง่ายแล้วหรือว่ามีคนไม่เข้าคิวไม่เข้าแถวนะไอ้สิ่งเหล่านี้เราต้องมีสติให้ได้นะไม่ใช่ในฐานะเจ้าภาพนะแต่ในฐานะของลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วก็ในฐานะของผู้ปฏิบัติธรรม แต่ภายเดีวยวกันก็ไม่ควรฉ่วยใช้โอกาสก็เออในเมื่อคนอื่นเขาไม่ไม่ไม่ถือตัวไม่ถือตนแล้วเราก็จะทําอะไรกับเขาก็ได้อันนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันนะก็ต้องเคารพเขาเคารพซึ่งกันและกันใครที่ได้รับอมอบหมายได้มีความรับผิดชอบอะไรเราก็ต้องเคารพเขาต้องฟังเขาถือว่าเขาเป็นแม่งานต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะเหมือนก็บที่หลวงพ่อได้ทําให้เราดูตลอด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 หรือว่าคำสั่งนะของผู้ที่รับผิดชอบเขาให้เดินทางเดียวก็เดินทางเดียวนะ่าอย่าไปอย่าไปย้อนสอนนะเขาให้จอดรถตรงไหนก็จอดตรงนั้นนะมันจะเป็นระเบียบได้มากทีเดียวงานนี้เนี่ยเราการที่เราจะช่วยงานนี้ให้ดีให้สำเร็จให้ราบรื่นแล้วก็สมธรรมมากของพ่อเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากนะแค่รักษาตัวให้ดีก็พอรักษาตนรักษาใจของตน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 เราจะบอกว่าเขาสนใจสินฉาปช่วยนะักระเป๋าลุยวิตตองเอาไปโชว์เพื่อนนะไม่สนใจธรรมะแต่เข้าคิวเป็นระเบียบนะขณะอากาศหนาวนะไปเข้าคิวแถวปารีสเนี่ยนะอากาศก็หนาวแล้วเข้าคิวเป็นระเบียบแต่ว่านอกปฏิบัติธรรมนี่นะพอจากหนังสือนี่กลายเป็นอความบุ่นวายทันที อันนี้แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติทำอย่างแท้จริงแล้วความสึกตัวหายไปไหนนะความรู้ตัวหายไปไหนนะแล้วเนี่ยวันเนี้ยที่มันจะวุ่นวายคือตอนที่แจกของชํารวยนี่แหละนะถ้าคนถ้าเกิดมาเป็นหมื่นนะถ้ามาเป็นร้อยนี่ง่ายแต่ถ้ามาเป็นหมื่นมันจะวุ่นวายมากแต่ความวุ่นวายจะน้อยลงถ้าทุกคนเนี่ยเข้าแถวเป็นระเบียบ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 ไม่สมธรรมของหลวงพ่อหลวงพ่อสอนเรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัวนะแต่ว่าผู้คนลืมตัวกันหมดเพียงเพราะความโลภครอบงอยากได้ก่อนใครกลัวหนังสือหมดจะ ต, ต้องระวังนะอยมีความเปรียบเทียบนะธรรมาเคยไปบรรยายธรรมในที่แห่งหนึ่งหนังสเป็นสวนโมกลกรุงเทพมัง้งใช่แล้วก็เวลาไปบรรยายธรรมที่ไหนก็มักจะพกหนังสือไป บางทีหนังสือก็ไม่ครบไมบ่ไม่ครบจํานวนของผู้ที่มาฟังทำก็บอกว่าเนี่ยเออหนังสือมันมีน้อยนะนะก็ภาพที่เห็นนะก็อย่างที่พูดก็คือว่าผู้คนก็มากลัวกันมารับเพราะกลัวว่าจะไม่ได้ทีแรกอาตมา ก, ก็เอาหนังสือเล่มเล็กมาวางก่อนเล่มเล็กขนาดฝ่ามือนะพอมันหมดมันหมดไปก็มีเล่มใหญ่มาอีกพึ่งนึง คนที่มาทีหลังนะก็ได้เล่มใหญ่ไปคนมาทีแรกก็ได้เล่มเล็กหลายคนที่ได้เล่มเล็กไม่ไม่สบายใจไม่พอใจนะมีคนนึงก็มาขอบอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมเอาเล่มใหญ่เดยังไม่ทันได้อ่านเลยนะยวไม่ทันจะรู้เลยว่าเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่มันดีกว่ากันแต่ขอเปลี่ยนเพราะอะไรเขาไม่ไม่สบายใจที่เขาได้เล่มเล็กมันมีความรู้สึกเปรียบเทียบนะ อันเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงทุกข์นะที่ได้เล่มเล็กพอไปเปรียบเทียบว่าเขาได้เล่มใหญ่ที่จริงน่าจะมองเออเราโชคดีนะคนหนึ่งเขาไม่ได้เลยนะเราได้เล่มเล็กแล้วก็เล่มเล็กอาจจะดีว่าเล่มใหญ่ก็ได้ถ้าอ่านในแนวปฏิบัติทำเนี่ยบางทีก็ต้องดูแจงตัวนะว่าเนี่ยเรามีความโลภความความหลงครอบงำหรือเปล่าโดยพราเวลาได้ของแจกของฟรี สติที่เคยมีนะ่ะหมดมันหมดไปเลยนะเวลาเจ อ, อสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นคนไทยนี่ก็เลยอย่างที่เราเห็นนะโดยเพราเวลาแจกของเนี่ยมันไม่มีระเบียบอะไเลยแต่ว่าถ้าสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียนในวันนี้เนี่ยมันก็ยิ่งน่าเป็นห่วงเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนะอย่างน้อยเนี่ย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 แล้วก็งมงายไร้สาระก็เยอะอันนี้เราไม่สมธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่แน่นอนเจ้าพาพก็จะไม่ใด้เป็นคนที่เป็นเป็นคนสนใจธรรมะอยู่แล้วก็วจะเป็นเศรษฐีก็จะเป็นนักธุรกิจธรรมะของเขาก็เพียงแค่ระดับตื้นๆไม่มากอะไรเท่าไหร่อันนี้พูดโดยรวมๆนะบางคนก็มีธรรมะสูงเพราะนั้นเขาคจะเป็นในเรื่องสมเกียรติเป็นหลักนะถ้าเป็นในเรื่องสมธรรมแล้วเนี่ยก็อาจจะ มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะทำมาเขาเ้าไปนระดับพื้นๆแต่ถ้าระดับหลวงพ่อแล้วเนี่ยสมทำมาเนี่ยคืองานนี่มันต้องอบอวนไปได้วยสติอบอวนไปได้วยความรู้สึกตัวนะเป็นบรรยากาศของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะความไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่เอาตัว ต, วตวนออกหน้าอย่างที่หลวงพ่อแสดงให้เราเห็นนะไม่ว่าคนทำงานหรือว่าคนที่รับผิดชอบงานเนี่ยถ้าเอาตัว ต, วตวนออกหน้าเนี่ย ความสึกตัวมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้งามก็จะวุ่นวายเกิดความเครียดแก่ผู้ทำงานแล้วเกิดความปานป่วนแก่ผู้ร่วมงาน เ, าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถือว่างานนี้เนี่ยนะเราต้องมาอย่าลืมเนี่ยการรักษาใจของตัวนะให้ดีโดยการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือทำงานนี้ ให้สมธรรมะของหลวงพอ่อนะให้สมกับที่เรานะจัดถวายให้กับครูบาอาจารย์ที่เรานับถือนะว่าท่านเป็นผู้ที่ชี้ทางสว่างกับเรานะผู้ที่ชี้ทางแห่งความไม่ทุกข์ให้กับเรานะไม่ว่าจะมีสิ่งมากระตุ้นให้เกิดโทสะเกิดความหงุดหงิดหรือเกิดความโลภ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 นะระหว่างที่เข้าคิวรอรับของชารวยก็ใครเขาจะโกราดคนยังไงเราก็จะสงบได้นะ้วก็อาจจะช่วยให้เขาสงบได้ด้วยความสงบของเรามราก็ช่วยนำใจของผู้อื่นให้สงบตามได้ด้วยหรือถ้าเราจะเอื้อเฟอื้อใครบ้างนะมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะอย่าเอาความอย่าเอาอย่าปล่อยอย่าเปิดโอกาสให้อัตตาตัวตน ความเจ้ายดเจ้า ย, ยางความถือตัวเนี่ยมันเข้ามาครอบงาใจให้เราทำอย่างนี้ให้ได้ในฐานะไม่ว่าในฐานะของเจ้าภาพหรือผู้ร่วมงานซึ่งก็มีสถานะเส ม, มือนกน็คือเป็นเสือของหลวงพ่อคำเขียนเมื่อเรามาทำงานถวายท่านนะเราก็ต้องทำให้ไม่ใช่แค่สมเกียรติเท่านั้นแต่ต้องสมธรรมากของท่านด้วยชาตนี้ก็เพอเท่านี้